Book 2ูสิบห้านผลไม้และอาหารบอเชอิจิวอตเนนามิรนิเซดิฉันมีสตรอเบอรี่ยาไอ am มย godu ดิฉันมีกีวีและแตงโมยาอิมัมกีวี i อิลูเบนิซูดิฉันมีส้มและเกรเปฟรุตยาอิมัมนารันจูอิเกรปฟรุตดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วงยาอิมัมยาบุคูอิมัโงโก ดิฉันมีกล้วยและสับประรดยาอิมัมบานานุอีอนาแนนสดิฉันกำลังทำสลัดผลไมย้ยาปราดิมวชนุสาลาร์ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งยยดตส ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเน ย, ย, เย ด, เดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมดิฉันกำลังทานแซนวิช ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียม ja, ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศดิฉันกำลังทานแซนด์วิชส์มาร์การิน a มอิป r รด เราต้องการขนมปังและข้าวมีตร e b a m o ่อกลีบบะครูฮาอิรเราต้องการปลาและสเต็ก mi trebamo r อ b u i o d r e อดเราต้องการพิซซาและสปากเก็ตตี้ mi trebamo p i กิ i ซ p a g สปา เราต้องการอะไรอีกไหมสตาโยชแทบามอเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปมิแทบามอเมรควูอีปาราดายส์ザซุปูุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนเดียเยุ่ปเปอร์มาร์เก็ต